อากาศหนาวหนาแบบนี้นะลองนึกถึงคนที่เขาอยู่ในที่ที่หนาวกว่าเรานะนึกไปถึงอย่างประเทศที่เขามีหิมะตกนะอากาศหนาวห น, น, นาวเน็บนะต่ํากว่าศูนย์องศานี่อาจจะรู้สึกเลยนะว่าเออเราเนี่ยังโชคดีนะของเรานี่ยแค่สิบหกสิบเจ็ดองศานะี่ที่อื่นนี่ติดลบประเทศรัสเซียนี่หนาวมาก เมื่อสองาทิตย์ที่แล้วนี่ได้อ่านข่าวหนึ่งนะมีเด็กทาลกแรกเกิดเนี่ยประเทศรัสเซียไม่รู้ใครเอาไปทิ้งไว้ในสวนสาธารณะอากาศหนาวมาก น, นรัสเซียเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะมันหนาวกว่านี้เยอะเลยบอกกัว่ามีแมวตัวหนึ่งเป็นแมวพันธุ์เปอร์เซียนะแมวพันธุ์เปอร์เซียนี่ขนมันปกปุย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 คือเรียกว่าข้ามคืนเลยจนเช้าบอกก็ว่ามีคนผ่านไปเห็นทีแรกก็ไม่รู้แมวทำอะไรแต่พอดูทีอ๋อแมวนี่กำลังนอนทับเด็กทารกอยู่เนี่ยบอก็ว่าเด็กยังไม่ตายนะขนาดนี่อยู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บมากนะต่ำกว่าศูนย์แต่เด็กไม่ตายเพราะว่าแมวช่วยชีวิตเอาไว้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 เพราะว่ามัน ม, มีใครเห็นเลยนี่ประเทศเออเจนติน่าประเทศออเจนตินาก็หนาวมากเดินซเดินธันวาเพราะว่ามีแม่หมาตัวหนึ่งนะไปเจอเข้าแม่หมาทำยังไงแม่หมาก็ก็คาบนะเรียกว่าลากดีกว่านะลากเด็กคนเนี้ไปที่รังของมันแล้วก็มันก็ไปนอน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 ทั้งสองกรณีเด็กก็ไม่ตายถ้าเร า, าไปคิดว่าความเมตตากรุณานี่มันมีแต่เฉพาะกับคนนะสัตว์นี่มันก็มีเหมือนกันนะอย่างที่เราเห็นแล้วก็เสียสละมากด้วยอย่างแม่เปอร์เชียตัวนั้นก็มันก็ยอมหนาวนะเพื่อช่วยเด็กก็ไม่รู้ว่ามันทำไปด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่หรือเปล่า น, นะเพราะเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นเพศผู้เพศเพศเมียแต่ถ้าเป็นเพศเมียก็เข้าใจได้ก็คือว่ามันมีสัญชาตญาณความเป็นแม่ อันนี้ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว้แล้วแม่ของเด็กแท้ๆนี่ไปไหนนะนะบางทีแม่อาจจะเป็นคนที่เอาเด็กมาวางทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ขณะที่คนนี่เอาลูกมาทิ้งแต่สัตว์นี่มันกลับเอาลูกมาเลี้ยงเอาลูกคนมาเลี้ยงนะหรือว่าพยายามช่วยชีวิตเอาไว้นะก็เป็นภาพตัดกันนะตัดกันทีเดียวนะ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 ในกรณีแบบนี้ก็มันก็น่าชี้ว่าเนี่ยบางทีคนเราถ้าใช้อารมณ์ร้นล้วนนี่มันก็ยังดีนะดีกว่าใช้ความคิดนะเพราะใช้ความคิดแล้วนี่มันก็อาจจะพาไปผิดที่ผิดทางได้สัตว์นี่มันไม่คิดมากนะมันมีแต่อารมณ์ร้นล้วนและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับหมาและแมวตัวนั้นคือความรักบางทีความคิดนี่แหละไปไ ป, ไปบทบังความรักความเมตตาทําให้เรา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 ผิดรูปผิดทางนะอ่ะแล้วก็เตรียมรับพร